สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทกรคนชอบเล่ากลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวจากคุณหน่อยมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ลี้ลับให้ฟังนะครับหน่อยเป็นนักศึกษามหาวิทยายลัยปีสซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดที่เธอเจอในช่วงที่เธอกําลังเรียนอยู่ปีหนึ่งให้ฟังว่าเธอเป็นลูกสาวชาวนาเป็นลูกผู้หญิงเพียงคนเดียวฐานะทางบ้านไม่ค่อยจะสู้ดีนะัก แต่เธอก็โชคดีที่พ่อและแม่ต่างเห็นความสําคัญของการศึกษาแม่แม่จะจากเธอไปตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่ในชั้นปฐมแต่พ่อก็พยายามส่งเธอเรียนจนจบระดับมัธยมต่อมาพ่อถามเธอว่าอยากจะเรียนต่อในระดับวิทยาลัยไหมนั่นคือความฝันอันสูงสุดของเธอเพราะในหมู่บ้านที่เธออยู่ไม่เคยมีรูปบ้านคนไหนได้เรียนมาหาวิทยาลัยแม้แต่คนเดียวแต่เธอเข้าใจฐานะของเธอบ้านดีใจนึงก็อยากเรียน ใจหนึ่งก็สุสารพ่อพ่อเข้าใจในความรู้สึกของเธอดีจึงบอกให้เธอลองไปสอบดูถ้าสอบได้ก็จะให้เรียนแต่ต้องใช้ใจ่ายอย่างประหยัดนะและถ้าสอบได้ก็ต้องไปอาศัยอยู่กับลุงจากคําพูดนี้ทําให้หน่อยซึ้งใจมากก้มลงกราบพ่อด้วยน้ําตาเธอจึงทุ่มเทยอย่างหนักกับการตัดสินอนาคตของตัวเองในที่สุดเธอก็สอบติดแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่กับลุงบ้านของลุงอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ5กิโลเมตร เทอมแรกทั้งเทอมเธอใช้การเดินแทนการนั่งรถเหตุผลก็คงไม่ต้องบอกและด้วยการเดินไปโรงเรียนของเธอนี่แหละทําให้เธอได้รู้จักกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีชื่อว่าแหมมแหม่มคือเด็กหญิงวัยแปดขวบเธอรู้สึกถูกชะตากับเด็กคนนี้เป็นอย่างมากเพราะชีวิตของแหม่มก็คล้ายๆกับชีวิตของเธอในวัยเด็กวัยที่ต้องทําทุกอย่างเกินอายุซักผ้าถูบ้านทํากับข้าวลงนาแต่แหม่มไม่ต้องไปทํานา แม่มอาศัยอยู่กับยายเพียงสองคนและตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบกับยายของแม่มหน่อยก็รู้สึกเหมือนไม่ได้เจอแม่อีกครั้งยายของแม่มชื่อชื่นเป็นคนใจดีเต็ไมไปด้วยความอบอุ่นเธอจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแม่มถึงเป็นเด็กที่น่ารักและเก่งขนาดนี้คำพูดคำจาของยายชื่นไม่เหมือนกับคนแก่บ้านนอกทั่ ว, วไปวิธีการสั่งสอนเหมือนคนมีความรู้แต่แยายชื่นก็ไม่ค่อยเล่าประวัติของตัวเองให้ฟัง ความผูกพันระหว่างหน่อยยัยชื้นและแม่มก็ทวีความแน่นแฟ้นขึ้นมาเรื่อยๆถ้ามีเวลาว่างหรือทำงานบ้านให้ลุงเรียบร้อยแล้วเธอก็มักจะแวะไปบ้านเยัยชื้นแทบทุกวันไปคุยไปนอนอ่านหนังสือไปช่วยทําขนมกล้วยและทํางานบ้านยัยชื้นเองก็รักเธอเหมือนลูกเหมือนหลานเรียกเธอว่าลูกทุกคําำยัยชื้นยังบอกว่าตั้งแต่ได้รู้จักกับเธอทําให้มีเวลาทําขนมกล้วยมากขึ้นทําให้มีรายได้มากขึ้น ซึ่งยายชื้นก็ตั้งใจจะเก็บเงินไว้ให้ได้เพื่อที่แแบบจะได้ไปเรียนหนังสือเหมือนเด็กคนอื่นแกก็อยากให้หลานขนูแกได้มีโอกาสแบบเด็กคนอื่นบ้างไม่อยากให้หลานมีปมด้อยมากไปกว่านี้วันไหนถ้าเธอไปหายายชื้นก่อนค่ำก็จะได้เห็นแแบบเดินกลับมาด้วยความร่าเริงสดใสพร้อมกระจากาที่ว่างเปล่าแแบบจะเป็นเด็กผู้จาลุงท้ายด้วยจ้าจ๋าทุกคํายายชื้นจะรับเงินมานับถ้าเป็นธนบัตรก็จะคลี่เก็บไว้ในกล่องอลูมิเนียมเก่าๆหิวหรือยังล่ะ วันนี้ยายทอดไข่ไว้ให้อย่าชื่นได้บอกกับหนูแม่มพฤติกรรมการพูดคุยของยายหลานเป็นเช่นนี้ทุกวันยกเว้นแต่กับข้าวที่เปลี่ยนไปจากไข่ดาวเป็นปลาทูบ้างผัดผักบุ้งบ้างแม่มเป็นเด็กน่ารักและกระตันยูมากเมื่อรู้ว่ายายจะส่งไปเรียนหนังสือก็ดีใจมากแต่ก็ยังสงสัยว่าอ้าวยายจะไม่ให้หนูไปขายขนมแล้วเหรอจ๊ะยายก็ตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นสาวทิตย์นี้ก็ยังช่วยยายขายได้นะ และวันธรรมดาแล้วใครจะช่วยยายเละจ๊ะยายแก่แล้วนุม่มแแบบก็ถามไปไม่เป็นไรยายจึงบอกเรียนให้จบซะค่อยทํางานเลี้ยงยายก็ได้ตอนโตนะ่ะหน่อยรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ยินประโยคการพูดคุยของสองยายหลานคู่นี้เพราะแม่ก็เคยพูดเช่นนี้กับเธอแต่แค่วันนี้แม่ไม่ได้อยู่กับเธอแล้วช่วงกลางเทอมสองพ่อซื้อจักรยานให้หนึ่งคันเป็นจักรยานเก่าแต่ก็ขี่ได้อย่างสบาย ทำให้หน่อยมีโอกาสได้ไปหายายชื่นกับแมมมากขึ้นและก็อยู่ได้นานขึ้นจนกระทั่งปลายเทอมที่เธอต้องสอบจึงว่างเว้นไม่ได้ไปหาแมมกับยายชื่นซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะทุกครั้งที่มีการสอบหรือมีกิจกรรมก็จะเป็นเช่นนี้เมื่อเธอสอบเสร็จก็จะกลับไปครุกอยู่ที่บ้านของยายชื่นเหมือนเดิมแต่การกลับมาครั้งนี้ของเธอไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาวันแรกที่เธอขี่จักรยานเข้าไปชาวบ้านในระแวกนั้นต่างก็มองเธอด้วยสายตาปแปลก ป้าคนหนึ่งส่งยิ้มให้อย่างเจริญเธอรู้สึกเลยว่าผิดปกติแต่ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรคิดยังไงก็คิดไม่ออกจนปั่นจักยานไปถึงบ้านของยายชื้นและผลักประตูเข้าไปเจอยายชื้นก็ยกมือไหว้ยายชื้นทำหน้าหมองๆแววตาเต็มไปด้วยความกังวลยายจา๋าเป็นอะไรหรือเปล่าจา๊ะหน่อยถามนังหนูวันนี้ทาไมยังไม่กลับเสียงของยายชื้นพูดขึ้นนี่ถ้าเป็นอะไรยายจะอยู่กับใครเนี่ย แม่มรู้สึกงงเพราะชุวงเวละที่เธอไปเพิ่งจะบบ่ายเองซึ่งโดยปกติแล้วกว่าแม่มจะกลับก็ต้องเวลาเย็นๆลึกเกือบค่ำหน่อยเลยถามว่าเดี๋ยวนี้ยายให้แม่มกลับเร็วแล้วหรือจ๊ะยายชื่นก็ไม่ตอบสายตาจับจ้องแต่ทางเดินหน้าบ้านตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นยายชื่นก็ฝ่ายเดพูดแต่ประโยคเดิมๆ เ, เธอถามอะไรา ย, ยายก็ไม่ตอบเมื่อเวลาเย็นมากแล้วแม่มก็ยังไม่กลับหน่อยก็รู้สึกเป็นกังวลไปอีกคนนึงจนฟ้าจะมืดสลัว แม่มก็เดินกระเพกกระเพกกลับมาด้วยท่าทางอิดโรยไม่ราเดเริงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหน่อยรีบเข้าไปถามด้วยความห่วงใยเป็นอะไรหรือเปล่าจะ๊ะและเสียงยายก็บอกว่านังหนูทําไมวันนี้ถึงกลับมืดนักล่ะทุ่งนี้ยายไม่เห็นไปแล้วนะถ้าเป็นอะไรไปแล้วยายจะอยู่กับใครอะ่ะจะยายแม่มรับปากแบบง่ายๆทําให้หน่อยรู้สึกผิ ด, ดนิสัยของแม่มที่ค่อนข้างจะดือ้อแต่เมื่อมองดูดีๆหน่อยก็เห็นเลือดและรอยถลอกที่แขนขาของแม่ม ทำให้หน่อยตกใจไหนไปโดนอะไรมาหรือเปล่าไปโดนอะไรมาแหมมก็ตอบว่ารถชนจ้ะฮะเสียงของเธอก็บยายร้องขึ้นพร้อมกันไม่เป็นไรมากหรอกจ้ะไม่เป็นไรได้ยังไงเลือดออกขนาดเนี้ยถลอกขนาดเนี้ยมายายพาไปล้างก่อนเดี๋ยวมาใส่ยาให้ไม่ต้องปรุงไม่ต้องไปมันแล้วนะพรุ่งนี้ยายจะไปขายเองแหมมก็ตอบยายว่าดูไม่เป็นไรจ้ะแค่เจ็บนี้ต่อยเท่านั้นเอง หน่อยก็ได้จะมองสองยายหลานนี่คุยกันแล้วก็รู้สึกตําหนิตัวเองที่คิดว่าแหม่มผิดปกติไปยายบอกว่านังหนูนี่อย่าดื้อกับยายสิไปล้างยาก่อนตอนนั้นฟ้าก็เริ่มมืดแล้วหน่อยกลัวว่าลุงจะเป็นห่วงยายถ้าไม่เป็นไรแล้วหนูจะกลับก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะมาใหม่แต่ดูเหมือนยายกับแหม่มจะไม่สนใจหน่อยเลยวันนี้ทั้งวันยายทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าในบ้านนี้ไม่มีหน่อยอยู่ด้วย เธอก็พยายามเข้าใจว่าคงเป็นพ่อยายเป็นห่วงแหม่มแต่ตั้งแต่แหม่มกลับมาแหม่มก็สร้างความรู้สึกเดียวกันให้เกิดขึ้นกับเธออีกเธอยือนมองสองยายหลานก่อนจะปิดประตูวันต่อมาหลังจากทํางานบ้านให้ลุงเรียบร้อยแล้วลุง ก, ก็ใช้ใไปทําธุระกว่าจะทําเสร็จก็เย็นแล้วหน่อยก็รีบมาที่บ้านของยายชื้นด้วยความเป็นห่วงในตัวแหม่มแต่ก็ยังไม่ทันถึงบ้านของยายชื้นก็มีป้าคนหนึ่งเรียกไว้หนูหนูหนูมานี่ก่อน หน่อยจึงเดินเข้าไปหามีอะไรหรือป้าแกกระเหลียวซ้ายแหลกขวาผ้อมกับสายหน้าแล้วก็บอกว่ายาชื้นเป็นยังไงบ้างอ่ะน่าสงสารนะไปหาก็ไม่ยอมเปิดประตูรับไม่ยอมคุยด้วยเห็นมีแต่หนูนี่แหละที่แกยอมให้เข้าบ้า น, นทําไมเหรอเจ้าป้าหน่อยก็ถามไปป้าคนนั้นก็บอกว่าอ้าวเดี๋วบอกว่าไม่รู้เรื่องก็ตั้งแต่หลานแกตายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแกก็ไม่ยอมออกจากบ้านอีกเลยงานศพงานเผาที่หลวงพ่อทําให้ แกก็ไม่ยอมไปเลยหน่อยได้ฟังรู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวพูดอะไรไม่ออกน่าสงสารนะมีกันอยู่แค่สองยายหลานเจ้าแหมมก็เป็นเด็กน่ารักอายุไม่น่าสั้นเลยไอ้รถที่มันชนนด้ก็ช่างใจร้ายชนแล้วยังลากไปทิ้งตั้งไกลยังไงก็ฝากหนูดูแลแกด้วยแล้วกันนะคนแถวนี้เห็นแล้วก็สงสารแกทั้งนั้นแหละแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงฝากหนูด้วยนะเมื่อป้าเดินไปแล้วแต่หน่อยยังยืนอยู่ตรงนั้น สมองหน่อยตื้อไปหมดแห ม, ม่ตายแล้วตายตั้งแต่อทิตย์ที่แล้วและแห ม, ม่ที่เห็นน่ะเมื่อวานนี้เป็นใครอ่ะเป็นไปไม่ได้ก็เมื่อวานก็ยัง ไ, งได้คุยกับแห ม, ม่อยู่เลยแต่เอ๊ะก็ไม่ใช่นะเพราะว่าแ ม, ม่ก็ไม่ตอบคำถามเราเลยแต่ถ้าหากแห ม, ม่เป็นผีแล้วเราจะจับถูกเนื้อต้องตัวได้ยังไงสมองหน่อยเริ่มว้าวุ่นสับสนในที่สุดก็ตัดสินใจเดินต่อไปยืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูพักใหญ่ก่อนจะผลักประตู เมื่อผักเข้าไปก็พบกับยายชื้นนั่งอยู่ที่เดิมหนอยเลยยกมือไหว้สวัสดีจ้ยายยายชื้นก็ทำหน้าหมองๆแววตาเต็มไปด้วยความกังวลเหมือนเดิมหน่อยเลยถามว่ายายจ๋าแหมมนะี่ยกำลังจะรวบรวมสติถามออกไปว่าแหมมเป็นยังไงบ้างยายก็ชิงพูดขึ้นมาว่าวันนี้ทําไมนางหนูยังไม่กลับมานี่เธอเป็นอะไรไปยายจะอยู่กับใครเนี่ยสายตายของยายชื้นก็จ้องแต่ทางเดินเข้าบ้าน แหมรู้สึกว่าตัวเองเย็นว้าบทั้งตัวอีกครั้งยายชื้นพูดแต่ประโยคเดิมๆไม่ว่าหน่อยจะปลอบจะอย่างไรก็ดูเหมือนยายจะไม่สนใจเรากับว่าหน่อยไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นฟ้าเริ่มมืดแหมก็เดินกลับมาอีกหน่อยตกใจแต่ก็ตั้งสติไว้แบบเดินกลับมาด้วยทาทางอิจโอยเหมือนเดิมยายก็พูดประโยคเดิมอีกว่านังหนูทำไมวันนี้ถึงกลับมืดตั้งล่ละพรุ่งนี้ยายไม่ให้ไปแล้วนะ ถาเป็นอะไรไปแล้วยายจะอยู่กับใครอ่ะหน่อยได้ฟังก็ยิ่งนั่งตัวเกรงแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นทุกอากาบกริยาทุกคําพูดของยายชื้นกับแหม่มเหมือนเมื่อวานนี้ทุกอย่างหน่อยรู้สึกสงสารยายชื้นขึ้นมาจับใจและก็กลัวแหม่มที่กําลังมองเห็นอยู่ด้วยแต่ไม่รู้จะทํำยังไงจึงได้แต่ค่อยๆก้าวถอยห่างถอยห่างและขอตัวกลับออกจากประตูไปหน่อยรีบกลับมาที่บ้านเจอลุงก็เล่าให้ลุงฟัง เมื่อลุงได้ฟังลุงซึ่งเคยบวชเรียนและได้เปลี่ยนก้าวมาแล้วก็บอกว่าตัวหลานมีความผูกพันและยังคงเป็นห่วงยายวิญญาณจึงไม่ไปไหนส่วนตัวยายเองก็ไม่ยอมรับว่าหลานได้ตายไปแล้วหน่อยได้ถามถึงวิธีที่จะทำให้ยายชื้นยอมรักสภาพลุงบอกว่าต้องให้แก่ไปทำบุญให้หลานขวดน้ำบอกให้หลานไม่ต้องเป็นห่วงแต่ลุงบอกว่าคงเป็นเรื่องยากแก่คงไม่ยอมทาแน่เธอจึงได้ถามว่า และไม่มีวิธีอื่นหรือลุงก็สายหน้าตอบว่าเท่าที่รู้ไม่มีนะหรืออาจจะมีแต่ลุงไม่รู้ลุงบอกให้ลองวิธีนี้ดูก่อนค่อยๆพูดค่อยๆ อ, อ, อธิบายให้แกฟังไม่แน่แกอาจจะทำใจได้เช้าวันรุ่ขึ้นอีกวันหน่อยจึงรีบไปหายายชื่นแต่เชา้าระหว่างทางก็ไปเจอกับคุณป้าคนเดิมอีกครั้งคุณป้าก็เรียกหน uh, uh, uh, uh ูหนูหนูหนูน่อยก็เห็นไปตามเสียงป้าคนเม่วานนั่นเองกำลังยืนกวากมือเรียก กับจับแขนของหน่อยแน่นจนรู้สึกเจ็บทำใจดีๆไว้นะยายชื้นนะ่ตายแล้วเธอได้ยินเธอก็ตัวแข็งทื่อรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนทุกอย่างหยุดนิ่งไปหมดป้าคนนั้นก็เขย่าตัวแรงๆเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าหน่อยสะดุ้งเล็กน้อยสายหน้าแทนคำตอบป้าก็ถามว่าบอกป้ามาตรงๆสิทุกครั้งที่หนูมาหนูเจอยายชื้นหรือเปล่าหน่อยก็พยักหน้า เวลาเข้าไปในบ้านหนูไม่ได้กลิ่นอะไรบ้างเลยเหรอหน่อยเริ่มไม่เข้าใจในคําถามแต่ก็ยังสายหน้าตอบยายชื้นอ่ะตายไปหลายวันแล้วเมื่อวานตอนที่หนูกลับไปกลิ่นจากบ้านของแกเหม็นมากเหม็นจนคนแถวนี้ทนไม่ไหวเลยให้ผู้ผู้ชายเข้าไปดูก็พบศพยายชื้นขึ้นเน่าเหม็นหนอนมแมลงวันไต่เต็มไปหมดก่อนหน้าก็มีกลิ่นมาบ้างแล้วแหละแต่ไม่มีใครสนใจไม่จริงไม่จริงหน่อยงมงๆอยู่ในลําคอ และป้าคนนั้นก็บอกว่าที่หนูเจอเนะ่ะเป็นผีของยายชื้นแกคงรอพบหนูเมื่อได้ยินอย่างนั้นหน่อยก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยเมื่อหน่อยฟื้นขึ้นมาก็เล่าเรื่องราวการเจอผียายหลานให้ลุงฟังลุงแนะนำให้เธอสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลไปให้จนถึงทุกวันนี้หน่อยก็แทบไม่อยากเชื่อเลยว่าหน่อยเคยได้เห็นคนที่ตายไปแล้วถึงสองคนในเวลาเดียวกันเรื่องราวลี้ลับของหน่อยก็จบแต่เพียงเท่านี้ ก็ขอให้ทุกท่านฟังเพื่อการบันเทิงนะครับวันนี้สวัสดีครับ